ตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตวอรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังขังนมัสสมิอวคลน้วันนี้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอันได้แก่บริษัท The i ไอคอน v e r t i s i n g ่ง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 และสาธุชนจากหลายท้องที่ทั้งใกล้และไกลได้ร่วมมาทอดกระถินสา ม, มัคคนะีที่วัดป่าสุกโตและในโอกาสเดียวกันนั้นนะก็มีคุณวิชาและคุณเจ้าภ ร, รยาผู้เป็นภ ร, รยาและสาธุชนอีกหลายท่านได้มาร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อสมทบ่วนแห่งกองบุญนี้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 ข้าวมาจากไหนข้าวมาจากจานนะเพราะเวลาเห็นข้าวคือมันอยู่ในจานแล้วแต่เมื่อท่านออกบวชนะท่านก็บาเพ็ญทุดังควัตในหลายข้ออย่างเข้มงวดมากโดยเฉพาะการบินทบาทนะฉันมือเดียวรวมทั้งการไม่นอนนะเรว่าเนสัตชิกแล้วก็รวมทั้งการเก็บผ้าตามป่าช้า แล้วก็ขยะถุงทั้ง เ, เรียกว่ากองขยะเพื่อมาทำเป็นจีวรก็มีเทวดานะ<า>เป็นเทพธิดาเนี่ยอยากจะอนุเคราะห์ท่านก็เลยเอาผ้าเนี่ยนะไปซ่อนไว้นะในกองขยะแล้วก็มีชายผ้าออโผลมานิดหน่อยตรงจุดที่พระนุรุท่านเนี่ยจะเดินผ่านมาพอท่านเห็นท่านก็ชักผ้านั้นนะ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 เรียกว่าเป็นงานใหญ่นะของคณะสงฆ์ตอนนั้นเลยก็เป็นนั้นว่าภายในวันเดียวหรือว่าไม่ช้าไม่นานนะก็ได้ผ้ามาเพื่อให้พระอนุรุทาได้สวมใส่ได้ครองนี่คือที่มาของผ้าป่าแล้วก็เป็นที่มาของกะถิน่นเพราะว่ากรถินเนี่ยสมัยก่อนก็แบบนี้จริงๆนะคือว่าผ้าที่ถวายกับสงฆ์เนี่ยเป็นผ้าผืนเดียว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 ภาคกถินนั้นเนี่ยเรียกว่ากาลรรทานหมายความว่าเป็นทานที่ทำได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนสังกทานสังกทานนี้ทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีการเลือกวันเวลาแต่ว่าการภาคกรถินนั้นเนี่ยหรือการถอยภาคกถินเนี่ยทำได้เพียงแค่ภายในสามสิบวันหลังจากออกพรรษาแล้วก็สิ้นสุดในวันลอยกระทงนอกจากมีเวลาที่จากัดแล้วก็ยังมี ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยรับกระถินได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีจะรับสองครั้งไม่ได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแห่งนะวัดที่มีญาติโยมสาธุชนนับถือมากเนี่ยก็จะมีคนมาต่อคิวขอเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยยาวเหยียดไม่ใช่แค่สิบปีบางทีร้อยปี วัดบางวันนี่สามรอปีนะกว่าจะทอดได้ประมาณ2อ0พวัดวัดปากน้ำเนี่ยนะบางพวกที่อยู่ไทาทายเนี่ยประมาณปี2อ0พถึงจะได้ทอดนะแต่ว่าวัดป่าสุโกโตแล้วก็อีกหลายวัดเนี่ยเราเปิดให้เป็นภาพป่าสามัคคีกระถินสามัคคีเพราะฉะนั้นในปีนึงก็จะมีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพเนี่ยมาร่วมกันทอดกรถินได้นะไม่ต้อง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 ภารกิจตรงนี้ก็ลดน้อยลงเพราะว่าพระที่ถวายเป็นพระสาเร็จรูปนะก็สามารถจะใช้ครองได้เลยแต่ก็ยังถือว่าคุณค่าของประเพณีนี้ในทางที่สนับสนุนความสมัคคีนั้นก็ยังมีอยู่แต่ครนี้จะไม่ใช่แค่ ส, ส่งเสริมความสมัครคีของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความสมัครคีของญาติโยมคำว่าพระป่าสมัคคีก็บอกในตัวอยู่แล้วว่า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 การทอกรถินถ้าเป็นโดยเพราะถ้าเป็นจุลกะถินนะถ้าเป็นจุลกะถินเนี่ยหรือว่ากะถินที่ต้องทำให้สำเร็จภายในวันเดียวเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะไม่ไม่ตรงกับชื่อว่าจุละคือแปลว่าน้อยนะเพราะว่าถ้าเป็นจุลกะถินนี่นะจะต้องเริ่มตั้งแต่ไปปั่นได้อปั่นฝ้าไปที่ไล่นะปั่นฝ้าแล้วกรอได้กรอได้เสร็จทอผ้าทอผ้าเสร็จก็มามาเย็บอามาย้อม ยอมเสร็จมาเย็บเย็บแล้วก็ยอมแล้วตัดตัดแล้วเย็บนะให้เสร็จภายในวันเดียวเริ่มตั้งแต่นะปั่นฝ้ายเลยนะกรอได้แล้วทอนะเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ความสมัคคีกันมากทีเดียวอาจจะดูชลามบุญกันเล็กน้อยนะแต่ว่าเมื่อทำสำเร็จนะก็กลายเป็นความสมัคคีนะซึ่งอ่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 เนความสงบสุขที่เกิดจากความเอื้อเฟือ้อความเจืรจาญความเมตตาซึ่งมีการให้ทานเป็นตัวผสานท่านเลาว่าเด็กชายหลวงพ่อปัญญาเล่าว่าสมัยนั้นเนี่ยมีการขโมยวัวขโมยควายมากนะเพราะว่าถือว่าเป็นเกมกีฬายอย่างหนึ่งคนภาคใต้นี่เขามีเขามีคติว่าถ้าขโมยควายไม่เป็นนี่ไม่ยกลูกสาวให้นะเพราะถือว่าถ้าต้องถ้าขโมยควายเป็นก็จะรู้ว่า จะรักษาวัวควายไม่ให้ถูกขโมยได้อย่างไรนั่นก็เป็นเกณฑ์กีฬาแบบหนึ่งนะคุ้นแผนนี่ก็งานอดิเรกคือไปป้นวัว ป, น, ววปนควายมาอันนี้ไปปนวัวปนวพอชาวบ้านเนี่ยถูกขโมยวัวขโมยควายเนี่ยก็มักจะได้คืนนะเพราะว่าก็จะขอให้พ่อของหลวงพ่อปัญญานี่ยหร็ชายป่านี่แหละช่วยไ ป, ไปไปตามวัวตามควายให้หน่อยแล้วท่านก็รู้ว่าใครเอาไป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 เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการ อ, อันที่ส่งของบุญเนี่ยนะก็อย่าอย่าเน้นแต่เรื่องการให้ทานเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องรักษาศีลด้วยวันนี้เมื่อเราให้ทานรักษาศีลหรือว่าพูดรวมๆคุมๆก้วงๆคือว่าเราทำความดีก็จะช่วยปกป้องชีวิตไม่ให้ประสบอันตรายความดีหรือ บ, บุญเนี่ยมันเป็นเป็นเสมือนกำแพงที่สามารถที่จะปกป้องอันตราย ไม่ให้แม่อผาไม่ให้มาเผาา่าผ่านได้เมื่อเราให้ทานเมื่อเรารักษาศีล น, นะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็จะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านอย่างเทตมาเล่าเนี่ยหมู่บ้านที่เขามีชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันก็จะมีความมั่นคงมีความปลอดภยัยมีโจขงขโมยก็น้อยหรือแม้นในกรุงเทพหมู่บ้านบ้านจัดสรรใดก็ตามที่สมาชิกมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีการให้ทานมีอะไรก็มาแบ่งกัน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 เพราะว่าเมาไมา้รถชนเสาไ ฟ, ฟฟ้าตกคูหรือว่าไปชนคนอื่นเข้าเนี่ยโอกาสแบบนี้ก็น้อยลงการที่จะทะเลาะบาะแว้งกันภายในครอบครัวตบตีสามีภรรยาหรือว่าทําร้ายลูกจนกระทั่งครอบครัวแตกแยกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าพอไม่เมาไมา้แล้วก็ทําขยันขันแข็งในการทํางานรา ง, งานน้อยนะ มีความภาคเพียรในการประกอบอาชีพความสุขความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะอันนี้จะได้าเพียงแค่รักษาศี่ห้าข้อเดียวนะให้ความมั่งมีสิ้สุดหรือความความเจริญในภพกับทรัพย์ก็เกิดขึ้นรวมทั้งอันตรายที่จะแพ่่พานเช่นมีคนเกลียดชังมีคนทาร้ายนะก็ไม่มีเพราะไม่เมาไมาเพราะไม่ไปขโมยเขาเพราะไม่ไปรบกวนใครเพราะไม่ไปไปไ ป, ไปลักลอบนะ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 เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลวมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นถ้าว่าญาตโยมนะพิจารณาธรรมสี่ประการนี้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆตระหนักว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรา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 เพราะว่าพวกเธอเนี่ยหรือพวกโยมเนี่ยพวกหนูทั้งหลายเนี่ยยังทุกข์อยู่หลวงพ่อไม่ทุกข์ด้วยหลวงพ่อท่านพูดด้วยซ้ําว่าตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านอยู่แบบสบายมากนะเพราะว่ามีคนทําให้หมดเลยท่านไม่ต้องทําอะไรเลยท่นอยู่ว่านี่ท่านยังทำโน่นทํานี่บ้างอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแม้กระทั่งจีวาก็มีคนซักให้ท่านบอกสบายมากอยู่อยู่สบายจริงๆและท่านก็แนะนํานะคนที่ป่วยว่าเนี่ย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 นะเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อเกิดความเจ็บความปวดใจเป็นอย่างไรนะเมื่อคนชมใจเป็นอย่างไรนะเมื่อคนตำหนิใจเป็นอย่างไรนะเมื่อกินอาหารอร่อยใจเป็นอย่างไรนะเมื่อได้รางวัลได้โบนัสได้ของขวัญใจเป็นอย่างไรไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือความจริงนะเป็นความจริงในปัจจุบันขณะที่เราควรมองให้เห็นนะ ผู้เจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อันนี้หลายคนที่มาวัดก็จะจำพุทธพจน์ตอนนี้ได้เพราะว่าสวดมนต์บ่อยมากพัตเตกรัตตาคถาผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างจ่มแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนอย่างจ่มแจ้งไม่จำเ็ต้องเป็นไตรลักษณ์เพราะถ้าเกิดยังมองไม่เห็นไปไม่ถึงก็อย่างน้อยก็เห็นว่าเออโกรธก็รู้ว่าโกรธเสียใจก็รู้ว่าเสียใจ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 มันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกท่านนะได้ได้ได้ให้มาเห็นเปิดใจให้เห็นสัจธรรมดีว่าด้วยนอกจากการทําความดีด้วยทานด้วยศีลแล้วก็อย่าลืมภาวนาไม่จำเป็นต้องภาวนาที่วัดเท่านั้นนะภาวนาที่บ้านภาวนาบนรถภาวนาในที่ทํางานก็ไดนะ้อันนี้แหละคือคําสอนของหลวงพ่อคําเขียนที่ดั้นได้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 ทำบุญท่อกรถิน่นแต่เป็นที่เป็นปีแรกที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราคือไม่ได้อยู่ในแง่ของรูปกายแต่ว่าท่านยังสามารถจะสถิตอยู่ในใจของเราได้เราหากเราสามารถที่จะน้อมนำหลวงพ่อให้มาสถิตอยู่ในใจของเราแล้วก็ระลึกถึงคําสอนของหลวงพ่ออยู่เสมอว่าให้เป็นผู้ดูผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะแตรมาเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วย ให้เราเนี่ยประสบความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยไกลทุกข์แม้ว่าจะต้องประสบกับความผัน ผ, นผนวนปูนแปรก็สามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็รู้ล่วงจากสิ่งเหล่านั้นได้ยิ่งกว่า น, นั้นนอกจากใจจะเป็นปกติแล้วเนี่ยยังสามารถจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยความทุกข์ที่ว่า น, นี้มาเป็นครูสอน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 ในอนุมโมทนาที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีข้อความตอนนิ่มกล่าวว่าผู้ใดที่อนุมโมทนาในบุญที่ได้ทำในวันนี้หรือว่าขนขคว์นะในการทำงานบุญในวันนี้ที่เป็นการละทานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้นั้นยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเรียกง่ายๆคือเป็นบุญจะพาคี